ปาราชิกสิกขาบทที่แปดถามพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาราชิกเพราะทำวัตถุครบทั้งแปดประการเป็นปัจจัยณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปรารบพวกภิกษุณีฉับพัก ค, คีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉับพัก ค, คีทำวัตถุครบทั้งแปดประการในปาราชิกสิกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานเป็นธุระนิเคปะสมุดฐานละ ปาราชิก8สิกขาบทจบ